อริยสัตสีในอาณาปานสติตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในธรรมวิเนหยแห่งพระอริยเจ้าความงอกงามไพบูร์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรร ม, มิกผู้รวมสมมัพ ม, า ม, มาจารี และยาโยมหุดทับริสัท์พ่อขาวแม่ขาวเนคขมะจารีเนคขมะจารีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราก็ได้ล่วงเลยมาจะถึงสนธยาสายั์ ตอนสุดท้ายของวันจะหมดไปพระอาทิตย์จะลับทิวไม้ขุนเขาจะลาลับกับขอบฟ้าไปแล้วใ้เวลาที่ท่านทัางหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกาก่อนฟ้าสนธยาอีกตามเคยขอให้ท่านทั้งหลายเอาใจใส่ตั้งใจฟังกันด้วยดีไม่ใช่เรื่องที่จะสนุก นสำหรับที่จะพูดต่อไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาอันเป็นมรรควิธีในศาสนานี้ให้ยาให้เสียแรงที่เราทั้งหลายได้เสียเ ว, เวลาออกจากบ้านจากช่องปล่อยวางภาระอันหนักน่วงอยู่ที่บ้านมาที่นี่ อย่าให้มันเสียเวลากับความอดทนภาคเพียรพยายามของพวกเราให้มันได้ประโยชน์แม้จะน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะเรื่องที่จะพูดต่อไปไม่เป็นเรื่องสนุกแต่จะเป็นเรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาของเราเมื่อท่านกลับไปบ้านไปช่อง ท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอีเมื่อโยกไกลห่างจากครูบาจากอาจารย์จะไม่ได้หลงทางไม่ได้หลงทางปฏิปทานั้นแปลว่าการเดินทางการเดินทางของจิตของชีวิตถ้ามันเดินถูกมันก็ก้าวหน้าไปหามักหาผลหานิพ v าน ถ้ามันเดินไม่ถูกทางมันก็จะวนเวียนในวัฏสงสารเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามชีวิตเราคือการเดินทางแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดมาก็คือการเดินทางเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งของการเดินทางของชีวิตเป็นวงจรอวงจรของชีวิต ชาติหนึ่งก็เหมือนกับวันหนึ่งก็ได้เอา้าแต่มองใกล้ๆถ้าจะมองไกลๆก็เหมือนกับปีหนึ่งนั่นกับปีหนึ่งและมันก็ไม่จบมันก็ไม่สิ้นมีวันนี้มีวันหน้ามีเมื่อวานเมื่อวานมันมีวันนี้มันมีพุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพนุ่งนี้แต่แน่นอนว่าพุ่งนี้ต้องมี เพราะวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานชาติหน้าเราอาจจะไม่ปักใจเชื่อสนิทว่ามันจะมีหรือไม่มีเหมือนกับวันพรุ่งนี้เรามองไม่เห็นแต่ว่าวันพรุ่งนี้มันมีมันมีให้เราเห็นอย่างสืบเนื่องกันวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน าชาตินี้มันก็คือชาติหน้าของชาติก่อนชีวิตมันก็คือการเดินทางการเดินทางไกลของชีวิตที่นี้ปฏิปทาในศาสนาคําตั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือเส้นทางที่จะเดินและจะต้องเดินศาสนาใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฮินดูเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามขอให้เข้าใจว่าศาสนานั้นคือตัวทางสำหรับเดินของแต่ละชีวิตที่เกิดมาพี่น้องชาวคริสเตียนเขาก็ถือว่าชีวิตเดินทางอยู่บนเส้นทางตามคำสั่งสอนของพระศาตราพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวฮินดูชาวซิกชาวพุทธ มีทางเดินในศาสนาของตนเองตามความเชื่อถือแต่ของเรามันก็มีทางเดินตามทางของพระอริยเจ้าตามทางของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเข้าใจโทหรือจะเข้าใจพิทนะถ้าไม่เข้าใจโทมันก็จะหลงทางตรงทางเพราะนั้นท่านเรียกว่าอริยามรรคทางอันประเสริฐในศาสนานี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะ สิ้นชีวิตจะปรินิพานจะตายพวกง่ายๆจะตายเวลานั้นคงไม่ไม่นานไม่ไม่เหลือกี่ชั่วโมงพระพุทธเจ้าจะตายมีคนคนหนึ่งกระหืดกระหอบไปฝ่าลงล้อมของหมู่พระภิกษุไปพระภิกษุทั้งหลายกันไว้แกก็จะเข้าไปจะเข้าไปถามปัญหาพระพุทธเจ้า คิดดู ว, ว่ากำลังไข้กำลังป่วยมันจะตายในวันนั้นนะ่ะแน่นอนว่าจะตายรากเลือดอาเจียนตัวน้นคนนั่งก็ขอเขาพบเขาเฝ้าพระทั้งหลายน่นก็ห้ามห้ามอย่ามารบกวนเลยต่อว่าต่อขานกันอยู่ต่อรองกัน่นถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ยิน ขณะที่ไข้จนจะตายไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยความเมตตาปาณีมีมากเมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่าคนที่มีจิตใจสงบไม่ขุนมัวใสสะอาดไม่ถูกกลุ่มรุ ม, รมด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนน้ำที่ใสสะอาดสามารถมองเห็นหอยกากหอยของกุ้งหอยปูปลาในน้ำ จิตใจที่มันไม่คุณมัวมันใสสะอ า, ปาดปราศจากความเร่าร้อนมืดมนกุ้มรุมของราคะโทสมมะโมหะก็มองเห็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกถ้ามันไม่คุณมันไม่สงบมันไม่แจ่มใสมันมัวแต่คุณมัว มันก็จะเห็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนมันก็เห็นไม่ถูกมันเห็นผิดนำเข้ามาเบียดเบียนตนนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลสะอาดที่เราได้ฟังที่เราได้สวดพุทโธสุสุธโสธโรกรุณาหันนบโภเราไม่มีเวลาสวดกันในหนังสือธรรมวัดเพราะว่า เรามีเวลาน้อยสี่ห้าหวันเราก็มาแต่ปฏิบัติระดมทุ่มเทลงโซการปฏิบัติเมื่อกว่าที่จะสวดกันเอาไว้โอกาสหลังว่าพระผู้มีภาคเจ้าของเรานั้นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรามีความเมตตาปานีกรุณาอันใหญ่หลวงเหมือนห่วงแห่งมหาสมุทรเหมือนห่วงมหานพ ท่านจะสิ้นใจตายอยู่แล้วมันลังเป็นไข้นั่นแหละมันได้ยินเสียงกรีดกันต่อลอต่อเทียงกันต่อรองกันท่านก็ยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาเพราะว่าเข้ามาเข้ามาให้เขาเข้ามาอย่า ก, กีดกันเลยให้เข้ามาเถิดมีเวลาน้อยนักที่จะได้พบกันเพราะจะต้องตายในที่สุดพระพิกษุทั้งหลายก็ต้องจำยอม ให้คนคนนั้นเข้ามาคนนั้นมาถึงมาตามว่าเก็ถามปัญหารีบร้อนนะไม่ฟังเสียงนอกจากศาสนาอันนี้ไปแล้วมีไหมสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นหมายความว่ามีไหมพระอริยบุคคลโซดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันมีไหมนอกจากศาสนานนี้ พระพุทธเจ้าของเราหันว่าทำไมเธอถามอย่างนั้นเราไม่มีเวลากันมากที่จะชี้แจงทำไมจึงไม่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะสิ้นทุกข์จะเดินนำชีวิตนี้เดินไปสงูงมักสู่เส้นทางชนิดไหนอย่างไรให้มันสิ้นทุกข์ไม่ต้องมาคำนึงถึงอะไรมากให้คำานงึงทุกข์ และท่านก็พูดสั้นๆว่านอกจากเส้นทางสายนี้จักไม่มีพระอริยะบุคคลหนึ่งสองสามสี่โสดันภกิทาคาอนาคาอรหันเหมือนรอยเท้าในอากาศย่อมไม่มีไม่มีรอยเท้าในอากาศนอกจากศาสนานี้ก็ไม่มีอริยะบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ว่าอย่างนั้นอากาศเสวะประทังนัตถิพาฮิโรนัตสวนโนัตถิพาฮิโรบนอากาศไม่มีรอยเท้าของผู้ใดเช่นเดียวงันนอกจากศาสนานีจกไม่มีสมณะที่หนึ่งสองสามพระอริยเจา้าคือนอกจากทางที่เรากำลังับปฏิปักษ์เรียกว่าอริยมกบีองแปด เสร็จแล้วท่านก็วกคืนมาสะเจเวพิกเวสัมมาวิหะเรยุงอสุนโยโรโกโอรหันเตหิอสักถ้าพิสุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบในเส้นทางสายนี้ในอริยมรรคเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์คนนี้แค่ฟังเข้าใจขอบวชทันทีขอบวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นนักบวชนอกศาสนา บอกว่าต้องเป็นหน้าสี่เดือนภาษาบาลีแปลว่าติทิยะปริวาสสี่เดือนติดทินิแปลว่าท่าท่าปริวาสแปลว่าเข้ามาอยู่ในท่านี้ลองดูก่อนสี่เดือนอย่างพวกเรานี่ก็มาปริวาสมาอยู่ในท่าแต่ก็เป็นท่าที่เราไม่เครือบแขงเรามีสงสัยเราพร้อมที่จะมามารวมตัวอยู่ในท่าเพื่อจะลงเรือข้ามแม่น้า จึงให้มาอยู่ในท่านี้สี่เดือนติดทีติดทีด่ยะออกเสียงภาษาไทยว่าเดรถีให้มาอยู่สี่เดือนนักบวชคนนี้บอกว่าสี่ปีก็ได้นี่คือทดสอบสถานนะเขาต้องการให้อยู่เพียงสี่เดือนแต่ผู้ที่มีสถานมั่นคงพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างก็บอกว่า4ี่ปีก็เอาอย่าว่าแต่สี่เดือน พวกเราเน่ยในฮะคูบาอาจารย์ท่านให้มาลองดูอยู่ในท่าห้าวันหกวันเจ็ดวันก็มีบางคนโอ้ยจะเป็นแหลวไ้ยเด้ยอยากเหตโตอีกเด้เมื่อเช้านี่ก็มีบางคนหลายคนอยู่จะเป้นแล้วไหวอยากใหตโต อ, อีกจะสองมือสามมือห้ามือสิบมือนี่ผู้ที่มีสถานงอกงามขึ้นมาศิลงอกงามขึ้นมาจาคะัญญางอกงามขึ้นมา แต่บางคนก็ออกจากฆ่าเลยยังไม่ครบไปก่อนอาลัดแจกวาสิ ล, ลาปังแกะกันันปีนาบมาอีกนั่นเป็นเครื่องวัดมากนะในการปฏิบัติธรรมนี้คนขี่แบคคนเล่ๆเลนๆโวยโบรารแท้ๆในคนนี้บอกว่าขอสี่ปีจะมีบ่อยๆนักบวชนอกาศาสนาเมื่อเข้ามาแล้วขอสี่ปีอย่างวัดถ้ำพระของเราเนี้ยถ้าใครจะบวชไม่ได้บวชง่าย ในวัดน้องป่าพง์ในสาขาหนองป่าพงทั้งหมดไม่รับใครบวชง่ายๆให้มาอยู่ในท่าซะก่อนติทีอภิริวัตยาวาดไปสี่เดือนเลยอาจจะสี่ปีก็ได้ยิ่งพวกฝรั่งมั่งค่ายิ่งให้เป็นหน้าโดนๆที่วัดอาตมา ก, ก็เหมือนกันเพื่อได้ยาบวชเน็ตบริบวชง่ายๆเนะยจะไปบวชเป็นพระให้เป็นหน้ามันนา น, น, าน บางคนถึงสองปีก็มีสามปีก็มีขันอยู่ะไรก็ซิกไปซะแต่เป็นนากมันขันยูเปนหนักวะ ไ, ไ้มันก็เฮงสิบบทวะไรฮัลสิกครับเพราะว่าการบวชนี่มันอยู่บนหัวของคนเขาเอื่อมาเจ้าหัวจัวน้อยเจ้าหัวไปว่าเจ้าอยู่หัวถือเขาเจ้าเอาตัางไว้ปทั้งหันทั้งนกทั้งไหวยี่ไซบาทให้กิน เอาเนื้อกินมื่ไห้ก็ได้ขาบสัก่อนได้โยบใส่หัวสักก่อนเอิ่นว่าเจ้าอยู่หัวแต่พูดรัดเอาก็เลยว่าเจ้าหัวซุ่มในหน่อยด้วาเจ้าอยู่หัวหน่อยเบาหย่าง ก, ก็เลยลัดเป็นจุ้นหน่อยบ้านี้สุ่มหนี่ถ้าไม่มีธรรมะอันเหมาะสมสมควรจะอยู่บนเก้า บ, บนหัวมันตกนรกกว่ามูอไผ่สิไปถือไว้ที่หัวหนักบนโยนตู้มกุโสยะถาทุขะหิตโอหัตถเม ว, วานุกันตติ ทราบมันยังทุ ป, ปรามาทั้งนิรญาอยู่ปกติติยาคาจับไม่ดีดึงมาจะบาดมึงตานบวชที่ประพฤติตนละล้วมกระทําไม่ดีรังแต่จะถูกลากลงในนรกชนนั้นท่านหัวเขินนี่มาบวชกับเ ข, อขาเนี้เจ้าหัวเขินนีเนเ่เนี่ยก็ะไรเห็นลเมื่อเศร้าในขจอบมาจังหันวันสอนให้เจ้าจนกเสกเ ก, ก, ก, ก, ก, ก้าเทอาเสื้อหัวคํากล่าวถวายมหาสังกฐาน มหาภิกขุสังคสจจะสามเณราานันจะสีระวันตานังอุปาสกาจัมหาภิกษซคือพระสงฆ์หมู่ใจหอมทั้งสามเณรอุปาสศกอุปาสเกาผู้มีศีลเคารพยกเสก้าเท่าเสกหัวขันเหตุพรอะละแรเะ ร, เ ร, เรในดดถห้อยซ้ำกันแล้วก็กรรมยาฆ่าบดีหวดมาบาดมือนิรยายูปวัตปักปะกติไ ป, ปวปดึงลงนรก แรวันทูเฮลวะซันอกว่าจะังัดดึงเจ้าลงนรกทุ่มหลดเพราะนั้นเมื่อเย็นีมันมันอยู่ใกล้ทาแต่ห้องนี่ยมันอยู่ในทาทานรกก็ได้ทาสวรรค์ก็ได้เอาดีๆได้แห้องเนี่ยว่าเป็นตะกดอกนองคำว่าคุณญานกระยานแต้แคได้บาดเนี่ยคยานกินขาวคนนซิว่บ้าบ่เนาะบานนี้วันให้มันญานิม่ก็ว่าเป็นอย่างดอกได้ยันบัอย่าอย่าอย่าเลื้งเจิ่งกลัวอย่างอื่น เพราะนั้นพวกเราพากันมาทำความเพียรนั้นกำลังมาสู่ท่ามาเพื่อจะเดินทางธรรมะที่ท่านสวดเมื่อกี้เนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นมัคคปฏิปทาเป็นทางสำหรับเดินเดินทางจิตไม่ใช่เดินทางกายเราได้พูดกันมาตั้งแต่วันก่อนมาถึงต่างๆแล้วก็หยุดไว้ก่อน อพรมกันไปคู่กันไปเวลาเราจะเหลือน้อยอาดามาคิดว่ามื้อเนี้ยก็สดดิมื้อตั้มื่อเอิญเนี่ยเหลือน้อยพรุ่งนี้ก็จ ะ, สะแสดงทำกันเลือกหยุดสามสองกันเท่านั้นแค้หมูสาสุดท้ายปีหน้ารับประกันไม่ได้ว่าใครจะมีชีวิตเหลืออยู่ใครจะล้มหายตายไปจากกันก็เลยมารีบทําความเข้าใจ การที่เรานำเอาอาณาปานาสติมาพูดกันตลอดถึงสิบหกขั้นตอนเราอาจจะยังไม่เข้าใจยังท่ามัวเพราะตลอดเวลาเราจะได้ดว่าการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นผ้าผ้ามัวมัวอยู่นะอาจะมาพูดได้เต็มปากว่ายังท่ามัว สมัยก่อนๆสักเจ็ดติดแปดติดปีมีมาอยู่ไม่ขาดสายแต่บางครั้งมันก็พลามัวไปดูตามตำรับตำราที่เขียนไว้ในรัตนโกสินในอยุทธยาในเวียงกันก็พลามัวแล้วไม่ได้พูดสมบูรณ์แบบอย่างในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้พระไตรปิฎกนั้นเป็นคำกล่าวคำตัดของพระพุทธเจ้า เราเมื่อกได้ยินการปฏิบัติธรรมอย่างเราเป็นนั่งสมาธิหายใจเข้าออพุทธโทธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธนี่เราได้ยินมามากต่อมาเราได้ยินว่าสัมมาอรหังเราได้ยินว่ายกหนอพองหนออย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไปดูหลักฐานในพระไตรปิฎกเลย สอง2มื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกหน้าสี่สิบห้าเล่มทั้งหมดไม่มีไม่ได้บอกให้พูดว่ายังไรฟังฟังให้ดีคิดลึกแต่เราเอามาพูดกับลมหายใจไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยมันจะช่วยช่วยให้ใจสงบล้อมรอบบอกอยังไงคือคนปึ๊ก ถ้าพระพุทธเจ้าสอนจริงๆท่านก็สอนมีเพียงเท่านี้แล้วอนาบรณสตินี้จะไม่ได้พูดว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติท่านเลือกไปอ่านเรื่องพุทธานุสติที่พระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้บอกว่าให้มาพูดอย่างนี้ แต่ท่านให้ละลึกตั้งแต่อิทธิปิโสปะวาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจลนานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุวนุตโลบริสัธรรมมาซาละทีสถาเทวมนุสซานังพุทธโธปะขวาติแต่จะต้องนึกเป็นภาษาเราให้เข้าใจนัง่งคิดละลึกกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สมบูรณ์แบบด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติวิชาจรณะสัมปน o n เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและลึกอย่างนี้วนไปเวียนมาจนเกิดสถามั่นใจลงไปทำอย่างไรก็จะทำถ้าเป็นคำสอนของท่านผู้นี้ มันจะเกิดศรัทธาเกิดปรีติเกิดปาโมดเกิดปัสสธิเกิดความสุขเกิดสมาธิพุทธานุสติก็ส่งลงไปจนถึงฌานแต่ไม่ได้บอกให้เรามาพูดอย่างนี้เฉยๆไม่มีเลยที่นี่อันอื่นก็เหมือนกันยุบน้อพองหนอก็เหมือนกันท่านให้ดูลมไม่ได้ให้มาดูอันยุบอันพองแต่ให้นี่เราเอามาใช้ ร่วมกันไปมันก็ไม่เป็นการผิดอะไรคือคือทหารบรรนองเขาไปในในเป็นทหารใหม่เขาบอกไส้หันเลี้ยวไปทางขวาเขาบอกขวาหันเลี้ยวไปทางซ้ายมันปลกหลายเขาเอาสีแดงมาหมัดขำว่าขวาหันให้ตัวเลี้ยวมาทางแหลงแหลงเด้อไส้หันให้ตัวเลี้ยวมาทางขาวๆเด้อคนนี้ก็บอกขวาหันหัวเลี้ยวไปทางแหลงแหลงายหันหัไปทางสายไปทางขาวๆ มันก็ถูกแต่ความจริงแดงกับขาวนั้นเอาไปผูกใส่กระแตกเมื่อแดงนั่นสีขัวได้อย่างเดียวเอาไปผูกไปโปรตีนพูก็ระแกเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ท่านหาอุบายที่เราเอามาพูดกันคำนูน่นคำนี้บริกรรมเป็นเทคนิคผู้ปราสาสมัยนี้ว่าเทคนิคของครูบาอาจารย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้พอดีนะพวกเราจะเทคนิคเฟอ้อ ถ้าถ้าประดิษฐ์ประดอยเทคนิคนี้ออกมามากๆขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะฟันเฟือหลงทางโลกก็ ว, วันนี้กําลังจเจริญด้วยเทคนิคต่างๆด้านี้การปฏิบัติธรรมจึงมีเทคนิคต่างๆลังบอลกับเห็ดเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงีย บ, บ, บลังบอลกับนั่งเสาล้มหอาไว้ๆล้วบอลกับนั่งโยกตีของใส่ผอมีมากขึ้นมากขึ้นพวกพวกฝรั่งาว่ายุบหนอพองหนอ ซ้ายยกหนอขวาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไป้ะนี้ยกนอ้อยย่างนอ้อยเจี๊ยบนอเพาะฝรั่งเขาเขาไม่ได้เรียกอย่างอื่นเขาเราาียก ว, ว่ามหาศีเทคนิควัดเจตส t กส์ for your s u b j e c t meditation or your mettahsab meditation เจ้าเอายังเป็นเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิของเจ้าจะเอาวิธีไหนเราถามพวกฝรั่งในต่างประเทศเข้าประว่ามหาศีเทคนิค เขา ไ, ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเทคนิคนะว่ามหาศีเทคนิคที่นี่เราก็มาทําตามที่เรียกว่าพุทธของพระพุทธเจ้าผู้ภาษาฝรั่งเรียกว่าบุตดาเทคนิคทเทคนิคของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เรามานั้นสิบหกตอนนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจไม่ใช่ดูลมเฉยๆไม่ใช่ดูแต่ลมเข้าลมออกเฉยๆ ดูจนรู้จักมันทุกแง่ทุกมุมบุคคลจะมีความรู้มีมหาอภินญยามีปฏิสัมพิทาแตกฉานในเรื่องชีวิตในเรื่องจิตใจในเรื่องเอาชนะใจตนเองอยู่ในลมหายใจแต่ที่นี้การดูลมหายใจเนี่ยมีอยู่สองลักษณะมีอยู่สองสองวิธีเหวอานาปานสติวิธีหนึ่งวิธีธรรมดา อีวิธีหนึ่งไล่ตามเทคนิคนี้ไปเลยจนจบสิบหกสิบหกขั้นวิธีธรรมดานี้บางทีก็เกือบจะไปปนกับวิธีนอกศาสนาขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมาในพวกประเทศอินเดียเขาก็ฝึกสมาธินะเขาเอาลมหายใจนี้แหละแต่เขาไม่ได้ทำแบบที่พระพุทธเจ้าเราตักเราสอนเขาเรียกว่าปรานายามะ ปราณายามะเขาหัดหายใจยาวๆลงไปเลยหยุดเอาไว้สามารถถอดหรือว่าใช้ลมเน็บเพ่งให้ลมไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายของเขาฝึกเขาเรียกว่าฝึกลมปราณปราณายามะต่อมาก็มีความสงบไปรักษาโรคมีฤทธิ์มีเดชกันเขาทำมานานแล้ว แต่ของเราไม่ได้มุ่งไปตรงนั้นมุ่งมารู้จักตนเองเป็นเป็นที่ตั้งลรงแห่งการฝึกสติให้มากเพื่อจะรู้จักเพื่อจะรู้จักธรรมชาติมหาสติปัฏฐานทั้งสี่จึงมีอยู่ในลมหายใจนี้แหละของเรานั้นจากการรู้จักลมตะก่อนท่านสอนละเอียดในอนาปานาสติสอนตั้งแต่ไปหาที่นั่งจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่นั่งที่มันสงบใต้ต้นไม้ในป่าในที่ไม่มีบุคคลรบกวนหลังจากนั้นท่านก็สอนวิธีนั่งวิธีนั่งคู่ขาเข้ามาอย่างโยมผู้หญิงนี่นั่งคัตมาดก็ได้นะแต่เข้าใจว่านั่งคัตมาดแล้วจะบาปพวกเราถือมารยา t ไทยมานานพ่อแม่ของเราสอนนั่งตอบหมอบตอบขาขันไม่ยิ่งไม่แถบหาอีสานห้องตามมาหนอก ขันนัง่งคัตมาดคือสุขวงหลายแต่ในประเทศอินเดียในประเทศพม่าศรีลังกาเขา น, นัง่งคัตมาด์กันทั่วไปผู้หญิงผู้ชายในการนัง่งคัตมาด์มันเป็นนัง่งนั่งพอดีมันทวงดุลของร่างกายพอดีพอดีแต่นี้พวกเรานั่งพับเพียบเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรมันลึ่นเลี่ยวเท่ากับนั่งพับเพียบเนี่าไงท่านผู้ใ ด, ดว่าว่านัง่งง่วนขาเขามากกน่า น, ะนาั่งคัตะมาด คือสิดีทวนนกระ บ, บต้องย่านบาปนำนางสมาธิสมาธิเป็นภาษาบาลีแต่คนพม่าเขาออกเสียงเป็นตัต่อเขาเรียกว่าตัมมาธิออกมาเป็นตามาธิเทนยิบาวานิสีทติปนังกังอาภูชิตวานนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบนี่เริ่มบริกรรมแล้วบริกรรมแปลว่าการ ก, กระทำเบื้องต้น ไปว่าการเตรียมตัว ม, มันเว่าวดิให้เขาว่าวดิาจากักรันจังสี่บริกรรมวานเท่านั้นเนืนี้ความจริงบริกรรมมาจากภาษาบาลีว่าปริกรรมแปลว่าการกระทําเบื้องต้นการะเตรียมเตรียมสามประการหนึ่งเตรียมสถานที่ที่มันสงบสองบริกรรมทางการทางกายนั่งแบบไหนมันจะสมดุลทางกาย ไม่เกิดอาการตึงเครียดนั่งพอดีแล้วก็ยืดตัวขึ้นตรงๆแล้วค่อยลดลดหาความพอดีเอียงซ้ายเอียงขวาแค่ไหนโยกหาพอดีหัวตั้งข้อซํำใดถ้าตาไปมันก็อาจจะหนักน่วงหลับไปตั้งให้มันพอดีโยกหามันข้อข้างอยง่างนั้นพอดีพอดีนั่งให้มันสบายที่นี่ก็ปล่อย อาการกดเก่งเมื่อมันไปตั้งทาง่าซะมะเนนั่งไอไม่ไมน่ะไอร้ายให ม, ไหม่ไม่น่ะมันตั้งท่าพอดรน่ะตัวเหตุแห่งฝริดฝรอ ด, อดีคือห้องคีโรจักขยันเป็นเนี่ยห้องบริกภคได้เก่งยังเมื่อท่านั่งดีแล้วก็มาจัด ก, การการะตาศิลั์บอหรือศิมืน่นในอาณาบานสตินี้สอนวิธีว่ากายไม่ลำบากตามไม่ลำบาก คือนั่งนั่งให้มันดีๆพอดีเหมาะกับอิริยาบถของตนเองบางคนขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ทำมือหอดบ้านัน้งตะแครงนั่งเก้าอี้ฮะตนเองเข้าเสียเอาความสงบใส่ใจร่างกายเขาบดีร่างคนขาบดีคือเราต้องการให้ผูกจิตให้มันโยกกับที่แล้วจึงจะฝึกงงงเหมือนงวเหมือนควาย มันมีวัสดกุมจับผูกมือ น, นั่นเอาไปใส่ไถโหลดผูกให้มันอยู่ซะก่อนมันลึ่งแหลวลึ่งเสือกลึ่งปอจูงไปน้ากลดได้พัดทั้งสายทั้งครัวเป็นเกาก่อนเกลือรับตามิงมิ ง, ม ง, มงหูตกตับสแสจกหัห่เงินอหางเธออะไรนั่นจึงเอาไปใส่แอบใส่ไถ่ใส่เกียนมันจึงบอ่อผาเต้นเต้นกับบอ่อเต้นแห้งขึ้นมันบอ่อหันได้ลึ่นจิตนี้ก็เหมือนกัน ต้องการให้มันผูกจิตให้มันอยู่ซะก่อนเอาลมหายใจเป็นหลักเป็นตอเป็นหมุดตรึงเอาสติความรู้สึกเป็นเชือกค้อมหูเมือมันจะคือไปใสกระบอกหิมบอให้รักมันลดบ่กให้เสกมันขาดกระขึ้นง้วงคือคุ้ยมันก็ดิมกระแลนจนมันมือดินเมื่อแลนหลับก็นอนหลงหงอยอยู่หันเดินเข่ามันกระลึงลึงแล้วเข้าจังไปแอบไปฟก ใส่ไถใส่เกียรติตอนผูกนี้ให้มันสงบเรียกว่าสมถะให้จิตสงบตอนฝึกนั่นคือวิปัสสนาความสงบมีแล้วจะฝึกให้มันเป็นผู้รู้ให้มันมีสติในกายสติในเวทนาสติในธรรมเราฟังดูบทสวดไปนั้นสี่ข้อแรกลมยาวลมสั้นรู้จักลมทั้งปวงทํากายคือลมนี้ให้ระงับ สี่อันนี้สามารถเข้าไปจนถึงฌานนี่ผูกผูกเริ่มข้อที่ห้าที่หกเจ็ดแปดเปเนริ่มฝึกปีติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีจิตตสังขารังปฏิสังเวทีปสัสสมพยังจิตตสังขารังปฏิสังเวทีข้อห้าหกเจ็ดแปด เป็นการเริ่มฝึกจิตที่สงบแล้วให้รู้จักให้มันกลับคืนมารู้จักตัวมันปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกแทนที่จะไปรู้แต่ลมอย่างเดียวแต่กลับคืนมารู้ตัวมันปีติความเ อ, อิบอิ่มขึ้ ม, มวนในใจเข้าในมวลสังเกตเบังไม่ไงคันทำมาปฏิบัติห่อนมือหนนะีมันมวลเลยได้ผูมวล มวนเด้อ่อนซ่อนเจ้าของเด้สมมวลสำเถาแทนนะ้ออย่างตายนี้จากเด้บัดเ่าแล้วจังมาพ่อนะ้อขอนสืแจงจังมาพ่อประห้มนม น, นี่เริ่มมวนนั่นแสดงว่าปีติมันเริ่มเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดเฉยๆมันจะตายมับมือืนหนือยาหัวมันขึ้นมาหูจ้จากมันเพราะปีติพวกนี้ต่อไปเป็นความสก ความโศกกับปีติอันนี้มันอยู่ใกล้ๆกันคือกินกับแกงแกงห้อนห่อนกับแกงตัวที่มันเย็นพ่อได้กินได้หยกหมอแกงมาตั้งใหม่ๆหอมห้อยห้อยอ่ะหู้จ้กขั้นที่ว่าต้องแซ่บหากกินบุได้มันยังห้อนบุนลวกปากไออาการหอมของกลิ่นแกงนั้นแหะคือปีติไม่ใช่ตัวโศกแท้มัเป็นตัวแซ่บ แต่ว่าตัวคือสีเสบครับจะสวบเนี่ยได้ไหมเข้าใจเขาบอกเนี่ยตัวคือสีเสบอันที่เขานั่งสมาธิเนี่ยมันมีเนี่ยมันชีวิตความสุขเกิดมาชัมผู้ขาฮิกะถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตร ค, ความสุขความสุขความสุขนี้คืออะไรอะไรคือความสุขพระสารีบุตรบอกว่าความพอใจสิท่าน เมื่อมีความพอใจแล้วย่อมเกิดสุขนั่งโยกก็เป็นสุขนอนโยก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขทําอะไรโยก็เป็นสุขถ้าเกิดความไม่พอใจทําอย่างไรโยกก็เป็นทุกข์มันแนนอยู่บอกแท่นห้องคำสีพอใจคือสิสมีความสุขมานั่งยืนกินขา้าวมือละเท้อตื่นแต่ดึกกับมีความสุขขันธ์าพอใจซุ่มนึ่งขาจอมมาเห็นซื่อๆเนี่ยว่าท่านได้เหตุทำดอกเข้าจอมอู่อังสังขัญญแทนห้อง่ะ ตายขะขากูคนไม่เห็นนี่เขาจะว่าเพราะเขาไม่พอใจเขายังไม่ได้ฝึกโอ้ยเพียงใดนิ่งหัน่าตื่นตีสองในทำพระพันผ้าลโก้สว่าบอไปตรงเวผู้หลังคนมาหลักเอาย่านตายใกล้มือสิแหลี่ก้องแก้งมานําำกลแห้งบ่ได้ไประโยชน์หลายไปเนี่ยได้หน่อยหนึ่งพรอว่าบ่ได้เริ่มตนมาจักคนเบาเรื่องอยังแน่เอามาตอกันไปสั่งกันก็ไปรงเรียนก็เอ้ยก็ไก่พเพคนเบาเยนเลย คพือสิโดจื้อไปหุ่นไปเรียนปริญญาผลมันก็ตกทวนตแต่เดบับฮันได้สอบผลแลอีเพราะไงเพราะนั้นเรามานี่ยมาเริ่มศึกษามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาให้คดไม่ผู้ใดจะไปบวชที่บวชพามไปฝึกนักบุูบาฮอาจารย์เฝ้าไปโหลดตั้งแต่หัวที่เป็นวันศีลหุ่จักรเริ่มต้นไปนี่จะเป็นที่ว่าโอ้ยเป็นหลักเอามือสุดท้ายดอกเข้าทรมานพอคิดผิดทีสุดมักนายโถด การปฏิบัติบมีสิไปกดปุ่มแปกเอาคือเปิดโทรทัศน์ดเด้เสร็จมาเห็นอองาไงๆอีพออีเมลเอ้ยพะกันตังใจที่นี่เมื่อเมื่อแกงมันหอมๆคือสีแซ่บแต่ว่าว่านได้กินขักพอมันฮอทพอมันเย็นแล้วตักเข้าใส่ปากกินมันนัวมันแซ่บอาการที่มันอร่อยกับอาการหอมคนละอันกันแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกันมากปีตีกับสุขก็เหมือนกัน ขันตอนสีมนันมวนมาปฏิบัติมันต้อเกิดปีตินั่งไปเกิดเอบอบีมในจิตในใจบวโหยหิวหาอารมณ์ได้ค่ะมันเป็นเจ็ดสี่เนี่ยแสดงว่าเกิดปีติเราก็กลับมารู้จักมันนี่เป็นการเริ่มฝึกจิตแล้วแต่ก่อนมีแต่ผูกทั้งเบงเฮาเฮาเพินพ่นเพผ้าสวดอ่าทีคังวาอาสัสันตโตอาสัสปัสสามีติปชานติหายใจเข้ายาวออกยาว ทำความรู้สึกตัวว่าเราหายใจเข้ายาวออกอยาวเธอก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวยาวหูเ ส, สือๆ น, นี่บวชในเหตุยังมันเลยบวชในศึกษาเยองยเงี้ยวสันนี่ให้หูเ ส, สือๆปชานติประชานติพอถึงข้อที่สามปัสซัมพยังส พ, พกายะปฏิสังเวทีอัศปัสสะมิติสิกขิ สองอันบ่มีสิกิติสองอันมีแต่คำว่าประชานติสองอันแรกเปิดอ่านหนังสือดูไปตามก็ได้ประชานติลมยาวลมสั้นประชานติให้หูจักสือแต่พอถึงขั้นที่สามมีสิกิติขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าหายใจออกยาวเข้ายาวธรรมดาทีนี้สิกิติแปลว่าศึกษาว่าภาษาบาลท่าวะจอบทั้งเกต สังหอมซ่อมเบิง่งคักบาตเนี่หายใจสั่นแล้วหายใจง่ายแล้วบาตเนี่ยปล่อยมันจอบจอบเบิ่งสังห้อมเบิง่งเบิ่งล่มทั้งหลายมันจิไปจังไดบัตในโตเย็นเขามันกระสิลมแสดงอาการเห็นมัน้ยมัดทวโตเนี่ยสัพเะไปว่าทั้งหมดกายะแปลว่ากายทั้งหมดปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทะรูปรู้พร้อมเฉพาะตายทั้งหมด นั่งจอบบังทุกลมหายใจไปสังเกตไม่ใช่เป็นอย่งดใดกายนไงลมในใกายมันห่อ น, นี่มันก็เริ่มดิง่งอยัางเนี้ยตัวร้อนก็อาจจะเย็นลงมาอาจจะเป็นขนลุกเงื่อดี่ทั้งหัวทั้งขางทั้งเอวกระตุกสัมินรู้จักมันเริ่มโตโตหน่อยลงหน่อยลงเริ่มโตใหญ่ขึ้นเริ่มโตโย่ไปโยกมาเริ่มโตเบาลงหู้จักมันไหมจอบบัง แต่จะถิ่มล่มเลยเพราะมีคำว่าอัตตาษสามีติสิทิกติกำกับอยู่ตลอดอยู่ในขันไปแลลวถิ่มล่มเลยหนึ่งย่านจะเกิดขึ้นย่านบอสกันหลงไปน้ำมันเลยบ้านนีหลงคนมันเร็วกว่านั้นรีบสงบลงไปหูไม่เคยได้ยินเสียงแปดประหลา ก, ก็ดังขึ้นหรือบางทีก็ความคิดที่เคยสั่งสมเอาไว้สิ่งที่เคยพบทางตาทางหูจิตมันเริ่มสงบลงไปไปเห็นผวังขจิต สิ่งที่มันเก็บไว้ก็โผล่ขึ้นมาไปก็มันเลยเดีย๋ยเป็นบ้าเงอกแงง่อยไปนะเพื่อนทิมล่มแล้วลืมล่มคนโบราณมันโบกมือขิ่งเนี่ยมาสั่นคือคนบราณบาอกว่าโอ้ยมันโบกมือขิ่งเด้ฮะมาสันน่นนะฮะเพราะนั่นวิธีปัวผีบาพระแต่ก่อนเพื่นปัวผีบาปบาด้ยากษ์เลยเอาแสวไว้มาเป็นกรำเขียนโตทาก็เงากกะแงกโตค้อมใส่นามา ะ, ะนมะพัทธนโมพุทธายะโมวิมุตติยนานโมวิมุต ป่านังมึงเป็นป้ามากมันกุิตีบอเขียนไร่ของย่องแข่งแย่งก็ได้มันบวมหัวขี่ง่ะมันเป็นป่ามันค้อน ด, ดึงกับบางเก่งกันยมึงก็ขึ้นมาหูวหัวขี้งเท่านั้นมันเสีมีอย่างแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระทำไม่ให้พระเป็นหมอรักษาสิ่งเหล่านี้นี่พวกี่บ้าบริยักษ์ป่าทำตรงทำแตกขึ้นกันว่าสันโรงพยาบาลเขาเอาไฟฉอดเอา เขาอยากมันเจ็บมันปวดหลายโรงพยาบาลศีมหาโพธิยบดีห้องเอขื่นฟอดแล้ยังดูยังไฟช็อตจึก๊กตื่นนกขึ้นมาหงวเมือกีด <c oughs> มันบอหงวเมือกี๊งุึงเทีอมบอหัวเมือคุ้มมันบอกหงวเมือมมอม่อกุม้มคนได้หันวายัซนเอามันทําแน่วายเซนก็ไฟฟ้าช็อตจึก๊กหัวเมือขึ้นแสตีทําทาแสกคาถาบอแสงยั้งก็ได้ล่องแสดึกบังแน่หมอทํามันสั่นงอแงงอหนั ง, ง, ง, ง, งก็ได้ ล่องแสดดึงคนมาแก่งกันแ น, น, น่คนจะเศร้าสั้นไม่พอขนันที่วุฒิสกัมกับปั่นพระเจ้าที่บานไปไม่ใช่สั้นหนิเรามานีนเพื่อจะศึกษาเพื่อจะรู้จักมันมาถึงรู้จักกายทั้งปูวงหายใจออกหายใจเข้าน่ะมีสติจ้องยึดลมเอาไว้กายจะเป็นอย่างไรก็ตามกายเล็กกายใหญ่ตัวโยกตัวคลอนตัวสูงตัวต่ําเราไม่ทิ้งลมโดไป ต่มาปัตสัมภยังกายสังขารังก็มีคําว่าสิกขติสิกขติทุกอันสิกขติสิกขติไปสิกขิติหนึ่งไปว่าจอบเบึงใครไม่บอกภาษาเฮาจอบเบึงคาขาดหินตรงสังห้อมซ่อมเบึงคาขาดมันจะเป็นแนวดาปัตสัมภยั ง, กา ย, ง, างกายสังขารังกายสังขารรางับรางับสัมไร ลมหายใจนี่เป็นกายนะกายยานยะตลาหังพิกขเวเอตังวะหามิอสาสปัสสังภิกษุทั้ทงหลายเรากล่าวว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้แหละคือกายลังงับกายก็คือลังงับลมเริ่มสงบเขาล่มหน่อยเขาน่อยเขา่าขบางเข่าบางเข่าหน่อยๆลมหายใจมีหน่อ ย, อยทอนนี้จิกเข้าไป ต้อออกมาจ้งว่าก็กเมิดบวานนี่ยเศร้าหันไก่มันละเอียดมากมันลังงับจนไม่เห็นบันนี้ก็ยานเอ็กบานเนี่สาวงามเพริญพูนคนเว้ยยานตายเว้ยมาสัน่นน่บอกมาเบิ่งเจ้าของดันไปหลงกันไปอีกทีนถ้าลมหายใจมันเล็กลงเล็กลงมาทีเหมือนใจจะขาดก็ได้ห้มันขาดตับไปรอดมันบมตายดอกนี่อยู่บนพูนังสมาธิเราตายตับ มันบอมมี่ต่อมันลำงับมากในช่วงนี้ให้เรารู้จักมันแต่อย่าทิ้งลมนั้นจนมันหมดลงไปถ้ามันลงไปกระจอบยู่นหินเน่ะบอลมันเข่ามันออกเจ้าหนอนมันก็สีหินหินขึ้นมาอีกขันบ่อขึ้นมากกัปล่อยก็หันเลยเจ้าหนอนก็เห็นมันลอยอของล่องขึ้นเหมือนตัวเราเนี่ยฟู่อ่องล่องขึ้นมาหน่อยๆเขาเขาเป็นคือหมอกคือควนเจ้าหนอนก็หุ่มมุดไปมัด ใสเจ้าตอนนี้คนไม่รู้เรื่องก็ปไปบอกดวงนั่นดวงนี่ดวงสิ้นดวงธรรมดวงดวงหนังจิตที่มันละเอียดมันท่องใสมันเบิกบานมันใสใสปานแก้วนะตัวเรานี่ก็ใสมองๆเดี๋ยวจะไปหาว่า ด, ดวงนั่นดวงนี่นี่คือธรรมชาติอันหนึง่งของจิตของอารมณ์ที่มันเป็นเอกเป็นหนึ่งเอกาธิพาโบภาวะอันเดียวภาวะอันเอกพุขึ้น ขันมะห่อนนี่มันก็บมวลเท่าไหรเนี่งมวลก่อนช่วยมะห่อนนี่ได็ก็เกือบตายพูลงคนยากพูลงคนง่ายหนึ่งนั่งอยู่ร่วมกันเนี่ยมันหลายร้อยคนบางคนไม่ยากเลยส่วนมากพวกไม่ออกสิเป็นนายกว่าพอออกแต่ว่าไม่ออกอยากซะก่อนเพราะว่าพวกไม่ออกในี่ใจอ่อน ใจอ่อนโยนทำอะไรได้ละเอียดเท็ดน้ำฝ่ายใน ไ, ไหมหลอดเท็ดน้ำผาน้ำแพร่มีแต่ของละเอียดอีประการหนึ่งโยมผู้หญิงไม่ได้ทำบาปมากจิตใจไม่แข็งกระด้างบริได้ทำบาปหลายดอกส่วน พ, พวกพ่อออกบาปหลายจิตใจก็หยาบทำอะไรก็ทำแต่ของห ย, ย า, าบหยากรั้สิพ่อซุ่มหนึง่ง่าแต่ว่าเมือเข้าเจ้าพ่อแล้วขาเจ้าบญ า, าน ทิ่เจอขเจ้าจแข็งแกร่งกว่าเพราะเหตุนั้นฝ่ายผู้ชายนี่จะทำสมาธิกับผู้หญิงนิซิปต่อซิปใส่กันเนี่ยไม่ยิ่งจะไปลวงมาก่อนแล้วเจ๊แปคนคือเก่งกลัวครับแต่ประหอนบัณนึงสิย่านผู้ชายจ ำ, ำนวนซิปอาจจะมีจักสองคนจักผู้นึงค่อยค่อยก้าวหน้าไปแต่ผู้ชายนี่จะไม่กลัวมีน้อยที่จะกลัวเพราะจิตใจมันเคยสั่งสมความแข็งแกร่งเอาไว้ เพราะเหนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันอาภัพหนึ่งผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ครอบครองโลกทั้งหมดนี่ไม่ได้สองผู้หญิงจะเป็นพระปัเกกิเจ้กับพุทธเจ้าตัดสรุ่เองไม่ได้สามผู้หญิงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ แต่เป็นพระ อ, อรหันได้เป็นได้ตามผู้พันหูวกรพันบอกไปสีผู้หญิงที่เป็นโพธิสัตว์เป็นสัตว์ตัวเมียนี่หาเป็นไปได้ไหมเดี๋ยมีแต่สีอานเกะสีอันแม่สีอันผูกออกมาหลอกมาล่วงกันนะนพากันแฮ่ไปถือต่อมเมื่อขอให้เข้าใจไวพ้พระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมีย มาตุคามคือผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปเจกับพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทธิสักหาได้ไหมพอมันยานใกใหอ่อนมหอดวันจักรสิแต่ผู้หญิงเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ผู้หญิงที่มีศีลมีปัญญาสามารถเป็นแม่ของลกูกที่จะเป็นใหญ่ในทิศทั้งหลายได้สู้โรโฮติทิสมปติ เป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศเพราะเป็นบุตรอันเกิดมาจากมารดาผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญาถ้าเามาฝึกกิเลสเป็นมยิญญ่งมาฝึกเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนึ้นเลยเนี่ลูกมากเสีได้ลูกที่ดีจิตใจนี่คนเราส่วนมากหนักทางแม่ทางนั่นร่างกายหนักไปทางพ่อขั้นอยากให้ลูกดีพัฒนาแม่ให้ดีๆ จิตใจของลูกนี่จะมาทางแม่มากกว่าพ่อถ้าอยากจะให้ลูกมีร่างกายอย่างไรต้องไปเลือกพ่อเห็นบอกเขาเลี้ยงงัวบักเต่าหลานบักแปดแสนหงน่านตับสา บ, บองยานเต็บเสบพพอพันเราไม่ได้แม่พันเราจะให้ลูกไงเอาแต่พ่อพันพ่อนี้จะให้ได้ทางร่างกายแต่จิตใจนหนักมากคือมาทางแม่ แม่เก่งลูกสิเก่งแม่ดีลูกสิดีลูกใช่ดูฮันนรศสวนมหาลาดเห็นไ่มเราเก่งแม่ยาสุริโยไทยเราเก่งนักมาเลอดงาลูกพวกครูบาอาจารย์ลูกเจ้าลูกนายพ่อเก่งมากแต่แม่เนี่ปึ๊กงออ่านหนังสือบอกให้ออกเงี้ยต่างๆได้ลูกมากไปทางแม่เบิดหน่อยมากหน่อยนาจะไปทางพ่อ ขันเเม่เก่งพอเพราะตัวอยู่เองได้หลูกมาในลูกจะเก่งไปอย่างแ น, น่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากเลยพระเจ้าปเสนที่โกศลออกโง่งามได้แต่ลูกสาวเขียดหลงป่ได้ได้เสด็บักเถิดเกิเถื่อนเมื่อหนึ่งไป็นนางฝาพุทธเจ้าอมาตไปตามพระอคคเมเหสีทรงประสูติแล้วเป็นโอรสือธิดาท่านทำเป็นพระราชธิดาเมื่อตบเ อ, อิก เสียใจทีเอ๊เป็นอย่างน้อจะไม่เลยลูกใช้น้ำพ่นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่ามหาปาพิษอย่าได้เสียใจเลยผู้หญิงที่มีคุณธรรมมีศีลมีปัญญาย่อมเป็นมารดาของบุตรยังความแก้วกล้าเป็นใหญ่แห่งทิศเมต่ราจะสมบัติย่อมครอบครองได้บุตรที่เกิดจากภริยาเช่นนั้นแหละ